คุณเป็นสีเป็นไงบ้างคุณเป็นสีนอ่ถูกต้องแล้วการปฏิบัติก็ไม่ใช่จงใจไม่เอานะบางทีก็จบางคนปฏิบัติแล้วจงใจจะจับอะไรว่างๆหรือจงใจทิ้งทุกอย่างเราไม่ได้จงใจหรอกถ้าจิตมันเกิดสัญญาแล้วมันทิ้งของมันเอง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 ถ้าไม่หลงไปคิดก็ไม่มีตัวตนอะไรเน่เริ่มทําแล้วคุณเป็นสีดูออกไหมเนยถ้ารู้ทนตรงนี้นะไม่มีปัญหารู้สึกไหมใจมันตื่นเต็มที่ขึ้นมาเลยนะทําได้ดีนะปฏิบัติได้ดีที่จริงคนถ้ามีความเข้าใจถูกมีความรู้ถูกความเข้าใจถูกจะมีสัมมาทิฏฐิมีเพียงแต่มีสัมมาทิฏฐิแล้วเราไม่ไปทําอะไร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 ท่านก็บอกว่าน้ำในแม่น้ำคงคาเนี่ยไหลไปลงทะเลจิต ก, ก็มีธรรมชาติที่จะโน้มเอียงไปสู่มรรคผลนิพพานกระแสน้ำนี่ก็คือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองแต่ว่าไม่ใช่ไม้ทุกท่อนที่จะไปถึงทะเลได้ไม้บางท่อนก็ติดฝั่งฝั่งนี้บางท่อนไปติดฝั่งโน้นบางท่อนขึ้นมาเกยตื้นบางท่อนจมลงไป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 คนทั้งโลกเขาก็อยู่กันได้ทําไมเราจะอยู่ไม่ได้ก็ เ, เพลิดเพลินไปพวกนี้เรียกว่ามีความเผลอเพลินพวกนี้ก็ไปไม่รอดเพราะไม่ยอกไปไหนเลยอีกพวกหนึ่งขึ้นมาเคยฝั่งเคยฝั่งก็คือพวกที่มีอัศมีมานะกูเก่งกูแน่หรือยอย่างนี้นะกูตลอดเวลาไม่ยอยากปฏิบัติหรอกนะรู้สึกกูเก่งแล้วไม่ต้องเรียนอะไรก็รู้รู้ทุกอย่างอีกพวกหนึ่งถูกน้นํามน ลอยไปแล้วถูกน้ํำวนท่านเปรียบเหมือนกรรมคุณทั้งห้าสังเก็ตไม่กรรมาคุณทั้งห้ามันมวนเดี๋ยวจิตมันก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็วนมาทางหูเดี๋ยววนไปที่จมูกทางลิ้นทางกายน้ําหมุนอยู่อย่างเงี้ยหมุนติ้วๆอยู่ทั้งวันใจเที่ยวสแสวงหาอารมณ์ทางอนิจนะทั้งหลายอยู่ด้วยความเพลิดเพลินพอใจใจก็หลุดพ้นไม่ได้อีกพวกหนึ่งผู่อยู่ข้างในคือพวกไม่มีศีลมีธรรมอะไรก็แต่พุจริต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 ผู้บาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเคยเล่าให้ฟังบางท่านท่านเห็นอนิจจังท่านเห็นว่าตัวผู้รู้เนี่ยห่องใสได้ก็อย่างเศร้าหมองได้บังคับมันไม่ได้หรอกห่องใสได้ก็เศ้าหมองได้เศร้าหมองได้ก็ห่องใสได้นี่มันไม่เที่ยงพอรู้ว่าจิตผู้รู้ไม่เที่ยงเนีท่านก็ปล่อยวางท่านที่มีศรัทธาแก่กล้านะเพียงเห็ น, น, น, นความไม่เที่ยงท่านก็ยอมวางแล้วส่วนพวกพี่สมาธิกล้าเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงยังไม่ยอมวางเพราะว่าอะไรพอสมาธิกล้าเนี่ยมันดูจะเที่ยง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 มันรู้ความจริงแล้วจิตนี้ไม่ใช่ทุกบ้างสุกบ้างแต่จิตนี้เป็นทุกล้วนๆพอมันรู้อย่างนี้มันวางท่านเหล่านี้หลุดพ้นด้วยการเห็นทุกอีกขั้นกลุ่มอีกขั้นหนึ่งขั้นเห็นอนัตตาท่านพวกนี้ปัญญากราผู้บาอาจารย์บางองค์ท่านบางเฉยๆเลยท่านเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราแล้วยอมคืนยอมคืนอันนี้ท่านปัญญาแก่กล้าท่านหน้าบางนะคนทั่วๆไปจะหน้าหนา รู้ว่าไปยืมเขามานะก็ไม่ยอมคืนเขาเนยรู้ว่าไม่ใช่ของตัวเองก็ไม่ยอมคืนนะอย่างถ้าโสดาบันเนี่รู้แล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่คืนหรอกจะเอาไว้แล้วนะถ้าสติปัญญาแก่รอบลงมาโอ้มันไม่ใช่ตัวดีเลยทั้งกายทั้งใจตัวทุกข์ล้วนๆเห็นเป็นตัวทุกข์ล้วนๆถึงจะยอมวางการที่เห็นทุกข์นัน่นแหละถึงจะถึงธรรมพอเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยความดิ้นรน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 หมดความดิ้นรนตัญหาจะดับโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะสมุทัยจะถูกละโดยอัตโนมัติทันทีที่สมุทัยถูกละไปเนี่ยจิตจะเข้าถึงความสงบสุขมันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นไม่ใช่ความสุขของขันละนะเพราะขันห้าคือทั้งกายทั้งใจนี่ทุกข์ล้วนๆไปซะแล้วพอจิตมันหมดความดิ้นรนเนเข้าถึงสันติสุขที่หมดความดิ้นรนคือนิพพานนั่นเองนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่ง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 เรียนที่ตัวกายกับใจของเรานี้ขันห้านี้ตรวจทุกให้รู้กายให้รู้ใจอะไรออกนอกแนวทางนี้ก็คืออ้อมคอมลนะเมื่อสองวันก่อนมิตร้ามาเล่าให้ฟังท่านไปอยู่สำนักแห่งหนะึ่งอาจารย์บอกเป็นพระอริยะชั้นสูงเลยห น, น, นุ่มหนุ่มะเป็นพระอริยะชั้นสูงลูก ป, ปิดครูบาอาจารย์บอกท่านสอนอะไรล่ะแหมอยู่สำนักน่าจะดนะีบอกตอนให้ไปปลุกมโลก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 หลายคนเกี้ยวดูโน้นดูนี่นะทำสมาธิจิตใจสงบขึ้นมาไม่สงบจริงด้วยสงบแล้วสายๆนะสายๆเร า, า, าออกไปรู้ไปเห็นไปอะไรตออะไรโหไปสมุมโลกนั้นมันฟ้าที่สุดเลย <c oughs> เดี๋ยวพระสีอานมาจัดจะรู้แล้วมันนึกถึงเราผู้ไปสมุมโลกนะท่ า, านจะอุทานบอกคิบหายแล้วนะ <c oughs> เหมือนที่พระพุทธเจ้าเราอุทานเมื่อนึกถึง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 การปฏิบัติต้องรู้กายรู้ใจรู้อย่างไรรู้ตามความเป็นจริง ร, ร, รู้แล้วเห็นอะไรรู้แล้วเห็นไตรักเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นเห็นแล้วปล่อยวางได้ปล่อยวางแล้วเป็นไงปล่อยวางแล้วพ้นทุกข์ได้นะแล้วมีกรอบหลักๆนี้ก่อนหลัจากนั้นนะทำยังไงมันจะรู้ได้บ่อยก็ต้องทำสติให้เกิดบ่อยๆวิธีให้สติเกิดก็คือคอยรู้สภาวะไปนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไป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 เมื่ก่อนมีคนหนึ่งนะมาบอกหลวงพ่อเนี่ยไปฟังหลวงพ่อที่สาราลุมคินพอนามนานละฟังแล้วเลยบร ร, รลุพระอรหันต์ไปละทำลายผู้รู้ไปหมด ล, ละหลวงพ่อตบไหลปั๊บปั ป, ปรู้สึกตัวไว้ <c oughs> ถ้ามีสติก่อนหนะ้าแล้วค่อยเป็นพระอรหันต์ที่หลัง <c oughs> อย่าอยากเป็นนะ <c oughs> ปฏิบัติเนี่ยอย่าหวังผล ปฏิบัตินะให้รักที่จะปฏิบัติอย่าอยากได้ผลรักจะปฏิบัติเรื่องมีฉันทะอยากได้ผลเรื่องมีสัณหาจะมีฉันทะแล้ววิริยะเกิดหนึ่งนีย่ยหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลหลวงพ่อแต่เดิมมีตัณหาที่จะปฏิบัตินะตั้งแต่เจ็ดขวบเนี่ยไปเรียนจากท่านพอ่อรีวนตสุการามเรียนอยู่ ไม่นานนะเขามาหัดหายใจนะนะั่นแหละไปเรียนแนละ้วก็ามาหัดหายใจเลยท่านสอนยังไงก็ทำตามไปเรื่อยได้ได้สมถะนี่ท่านสิ้นแต่สียก่อนเราขึ้นนีปรั ส, สนาไม่เป็นทุกวันทําสมถะนะทําไปเรื่อยเลยทําไปมันอยากทํานะไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรด้วยซ้าไปมันเด็กออยากทําพอใจที่จะทำํทำทําไปเรื่อยเรื่อยจนมาเจอหลวงปู่ดูลนั่นสอนบอกให้ดูจิตตัวเองาจิตก็น่าสนใจอีกแล้ว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 รู้กายก็ทุกข์นะรู้จิตก็ทุกข์แข็งแข็งชื่อชื้นนะบางคนทุกข์มากคอเซตหลังเซตนะบางคนสมองเบลอสมองตอไปเลยนะเพ่งมากไปถ้าปฏิบัติถูกต้องจะมีแต่ความสุขนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมีความสุขก็สติมันเกิดแล้วจิตใจมีความสุขสติเกิดแล้วทําไมสุขอ่สะสติเกิดแล้วจิตจะเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลก็มีความสุขจิตที่มีความทุกข์นั่นมันอาคุลและจิต รู้สึกไหมฟังหลวงพ่อพอหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บหนีไปคิดหมดเลยรู้สึกไหมสังเกตไหมใจของเราซึมซึมนะสังเกตไหมใจตอนนี้เริ่มไม่ซึมนะละหรืออกไหมหลวงพ่อต้องสอนแบบเหมาเหมาแล้วนะเพราะว่าไล่ทีละคนไม่ไห ว, วเราเรียกหลอกทีละชั้นนะทําใจกล่อมกล่อมไปให้เผลอเผลอไปก่อนนะแล้วค่อยบอกทีละชั้นเลยจนะรู้สึกไหมใจวักแวกๆักแวกไปทั่วทั่วกันนะ ส่วนใหญ่วักแวกวักแวบบ็กแบบไปหัดรู้สภาวะไม่ต้องทำอย่างอื่นหัดรู้ไปเรื่อยเรือสติเกิดจสติเกิดสมาธิเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดคุณหมอโยเป็นไงคุณหมอเือคืออาจารย์เป็นหมดย่างตึกนานเนื <c oughs> ้ออย่างดีนะได้สมบัติอาจารย์บ้าง ครูบาอาจารย์ที่คุณหมอไปอยู่กับท่านท่านก็ดีที่สุดลนะก็หมดจดงดงามที่สุดละองค์หนึ่งท่านบ่นเรืยตอนหลังๆผลไม่ทับเจริญปัญญาทับทําแต่สมาธินั่งกับเพิ่มง้อเ ง, งง้งองแงกนะั่เป็นมิจฉาสมาธิเสียอย่านะึงหรือเที่ยวเห็นโน่นเห็นนี่อะไรเงี้ยวันๆคุยกันแต่เรื่องนิมิตหนิท่านบน่นมะันต้องเจริญปัญญานะ เอาแต่สะบบออกมารู้กายต้องออกมารู้ใจถ้ารู้กายจะเห็นในกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยกายนี้เป็นก้อนธาตุดูลงไปเป็นทุกข์บ้างเป็นธาตุบ้างนะส่วนดูเป็นปฏิคุลเป็นอาสุภะอะไรนี้เป็นเบื้องต้นเป็นสมถะดูแล้วเมื่อข่มราคะสติตัวจริงเกิดจะเห็นในกายนี้เป็นทุกข์นะกายนี้เป็นธาตุจะเห็นนี้ ตัวทุกข์มันมีสภาวะรองรับตัวท่านมีสภาวะรองรับคุณหมอทําอะไรดูออกไหมนะลงไปนะลงไปเราก็รู้ทันนะอย่าไปบังคับมันนะคุณหมอเห็นไหมมีผิดสองอันหนึ่งอ่ะที่สมาพุทพูดนักหนานะถ้าไม่เปิดก็บังคับไว้หลวงพ่อมนตรีท่านวันนั้นไปคุยกับท่านนะไปหาท่านท่านบอกนะักปฏิบัติเนี่ยนะมันมีผิดสองอย่าง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 รู้ว่าเพ่งไม่ค่อยหลุดออกมาหรอกมันจะเพ่งต่อไปได้เรื่อยๆแต่ถ้ารู้ว่าเผลอไม่หลุดเลยมีท่านองหนึ่งท่านภาวนาเด็ดเดี่ยวมีท่านเพ่งมากท่านก็ลาครูบาอาจารย์มาอาจารย์ให้นอนุญาตมามาเสร็จแล้วท่านก็มาบอกเนี่ยท่านเพ่งมากจรท่านใกล้จะตายแล้วสมองท่านจะแตกแล้วดูไปโอ้ท่านเพ่งมากจริงเพ่งอย่างรุนแรง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 ชี้ท่านครั้งที่สามนะบอกแน่เลยอีกแล้วท่านลุกรวดเร็วนะตกเกาอี่โครมเลยไปละไปละรู้เรื่องละจิตมันอย่างนี้มันแพรบแพบแพ บ, พบนี่มันอย่างนี้ใช่ไม่ใช่บอกใช่ไปละกูอาจารย์ท่านก็โทรตับมาเรียกเลยนะกลับมาได้แล้วมันนวดได้แล้ว <c oughs> ต้องนั่งรถอีกคืนหนึ่งนะถึงจะไปถึงเลยมเป็นนวดท่าน เพรงันเพ่งนี่แก่ยากถ้ามันเพ่งหนักๆแล้วมันไม่ยอมเลิกเพ่งนะคุณหมอลืมมันไปเลยเพราเผลอๆแล้วรู้ว่าเผลอพอรู้ว่าเผลอปบมันจะกลับมาเพ่งพอรู้ว่าเผลอมันจะกลับมาเพ่งทัาสติเราไวพอเราจะเห็นตรงที่จิตจะขยับเข้าไปเพ่งจะขยับตอนที่มันจะเข้าไปเพ่งอ่ะพอเห็นตรงนี้ปั๊บมันจะไม่เข้าละ ถ้าเราเห็นจนชำนาญ น, นะติตเผลอไปพอรู้ทนันปุ๊บมันจะกลับมาเพง่งเห็นตรงที่ลอยต่อนี่จะเข้าไปเพง่งเห็นตรงเนี้ปนะั๊บเนี่ยยังไม่เพง่งนะเห็นซ้ําไปสองสามทีวันหลังก็เลิกเพ่งไปเองเพราะมันรู้แล้วว่าเพ่งนี่มันเข้าช่องไหนนะส่งจิตเข้าไปในช่องที่คุ้นเกยนี่เองคุณหมอใจลอยแล้วทราบไหมวันนี้มีทั้งโยทั้งหมอโยเอาโยส่งกันบ้าน เดี๋ยวคนก็ว่ามวนนี้ทําไมไม่มีชื่อโยบอทุกมวนจะต้องมีชื่อโยเพราะตรงไหนไม่มีชื่อโยอยู่เอาออกบ้างนายดีแล้วใช้ได้แล้วดีแล้วไม่ต้องพยายามมากนะเดี๋ยวเสียใช้ได้แล้วดีละหมอติยังไง อ, อ้ตื่นเต้นเลรอเมื่อกี้เปลอบม้ง เออตอนนี้ตื่นเส้น hn, ตับสูบตับสูบได้หนึ่งคะแนนไม่ให้คะแนนง่ายนะหลวงพ่อไม่ห้ามเลยกระทั่งเผลอนะเผลอเรารู้ว่าเผลอก็ได้หนึ่งคะแนนเหมือนกันจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลก็ได้หนึ่งคะแนนเท่ากันแหละเพราอะไรเพราะทั้งกุศลแรกกุศลนู้นแต่สอนธรรมะเราอย่างเท่าเทียมกันเราไม่ได้ฝึกเอาดีนะเราไม่ได้ฝึกเอาสุขเราไม่ได้ฝึกเอาสงบเราฝึกให้เห็นความจริง กายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะคุณมอโยลองสังเกตสิคนเราชอบฝึกจิตให้เที่ยงชอบฝึกให้จิตเป็นสุขชอบฝึกที่จะบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจเพราะฉะนั้นที่ลงมือปฏิบัติส่วนใหญ่นะฟืนไจลรลักทั้งหมดเลยนะเมื่อเราปฏิบัติแบบฝืนไจรักเนี่ยไม่มีวันสำเร็จหรอกอย่างมากก็เพ่งไว้บังคับไม่ได้ชัว่วคราวนะ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 รู้สึกไหมเรามองเหมือนคนมุงนอกมองเข้ามานะเรามองแบบคนมุงนอกมองนะไม่ใช่มองแบบเท็กไซแล้วไม่ใช่มองแบบตัวเราแล้วแต่จะเห็นก็่กอกายมันเดินอยู่นะเหมือนดูคนอื่นเดินะกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนเหมือนเหมือนคนอื่นดูอนะ่ะคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่ร่างกายก็เคลื่อนไหวไปคนหนึ่งดูอยู่จิตใจก็เคลื่อนไหวไปไม่เข้าไปเท็กไซมัน ที่ทําอยู่ตอนนี้ดีอยู่แล้วนะทําอย่างเนี้ยทําต่อไปนะอาคีตาว่าไงหลวงพ่อไม่แจกแจงรายละเอียดเดี๋ยวคิดมากเดี๋ยวเสียนะทําต่อไปมันมันวิ่งเข้ามาแล้วอึดอัดไหม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 รีบเดี๋ยวหลวงพ่ชมบอกกนาดีแล้วรีบเปไปเลยค่อยๆดูไปกีตา้าก็ดีแล้วไอ้กีตา้ารู้สึกไหมตอนเนี้ยใจเป็นยังไงใจฟุ้งต้านหลืออ่ะไหมใจฟุ้งต้านก็รู้ไปนะไม่ใช่เรียนเพื่อให้ไม่ฟุ้งต้านนะจะเรียนเพื่อเห็นว่าใจจะฟุ้งต้านห้ามมันไม่ได้ใจหนีไปคิดทราบไหม ใจจะไปทางใจทืนีไปคิดห้ามไม่ได้ใจจะไปทางตาเลือกก็ไม่ได้จะไปทางหูก็เลือ ก, กไม่ได้มันไปของมันเองการที่เราคอยรู้กายรู้ใจก็เพื่อให้เห็นความจริงคือไตรลักณนี้เท่านั้นเมื่อเห็นกายเห็นใจลงเป็นไตรลักณแล้วเขาะจะปล่อยวางของเขาเองนะความพ้นทุกข์ก็อยู่ที่ตรงปล่อยวางนั่นแหละอย่างที่ทําอยู่นะพอเราไม่ได้ยึดกายมันก็ว่างใช่ไหมเบาๆไม่มีอะไรไม่มีน้ําหนัก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 ถึงถึงแต่เดิมเราจะรักดีเกลียดชั่วรักสุขเกลียดทุกข์อะไรเงี้ยมันจะดิน้นเราเรียนไม่ใช่เพื่อเอาเดีเอาสุขอะไรหรอกเรียนเพื่อให้เห็นว่าสภาวะทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ใจลอยทราบไหมใจลอยไีแล้วหนีไปอีกแล้วทราบไหมมันเที่ย ว, ม, ยวมันเที่ยวไปทางไห น, นเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เนือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมีชื่อในตริยัตเรียกโจรรรปที่โคจรที่เที่ยวไปไปอุดดูาอกไหมตอนนี้บังคับรู้สึกไหมใจตอนนี้ไม่ปลอดโปร่อนั้นเราอย่งบังคับมันอยู่ น่าจะไปเอาไว้รู้เท่าที่เขาเป็นนะรู้แล้วจบลงที่รู้ไม่ไปแทรกแทงกเอาวุฒิอย่างพยายามเห็นมันไปเที่ยวเลยไม่ชอบมันอยากให้มันไปเที่ยวมันไปดึงเอาไว้อย่ารักดีนะักนะคนโบราณบอกรักดีหามจั่วหนักนะจั่วไม่ใช่เบาๆเบานี่สารานีใ้ใครแบกจั่วได้แนละ้วหนูข้อนับถึกเลย ต้องกล้านะต้องกล้ า, าคือตอนนี้เรามีอินดิเคเตอร์ตัวนหนึ่งเราเห็นแล้วว่ามันแน่นๆ่นมันหนักหักแน่นๆ่นอันนี้สะท้อนให้เราเห็นได้เลยว่าจิตเราแอบไปยึดไปทำงานอะไรที่อยากต้องมีความอยากต้องมีความยึดแน่นอนจิตนะ ด, ดวงนี้ต้องเป็นอกุศลแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลามันหนักหนักแน่นๆ่นขึ้นมามรู้มันไปเล่นน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 แ ล, แล้วมันก็เห็นรูปเห็นนามนั้นเคลื่อนไหวทำงานไปในจิตใจที่เป็นกลางใช่ใช่ทำไมบังคับอยากดีเนี่ยค่อยๆลองวิเคราะห์ลงไปทำไมอยากดีเพราะว่ายึดว่าจิตเป็นตัวเราอยากจะให้ใครดีออยากจะให้เราดีใช่เนลึกลงไปถึงที่สุดแล้วก็คือตัวความไม่รู้ น, นั่นเอง ความไม่รู้ว่าจิตนี้ไม่ใช่เราหรอกจิตเป็นทุกข์เป็นาธาตุเป็นขันธ์นอะไรเงี้ยจิตก็เป็นาธาตุนะวิญญาณาธาตุมโนาธาตุอะไรเงี้ยเป็นขันธ์วิญญาณขันธ์วุฒิทำอะไรวุต้องเลิกพยายามนะถ้าลืมเรื่องปฏิบัติได้นะจะดีกว่า น, นี้เข้าใจถึงถึงนะแต่ไม่ใช่เหลวไหลไปเลยนะ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 ที่เกียดที่คลานจิตใจไม่มีกําลังเพราะเราก็อาศัยการทํารูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดูท้องฟองยุบก็ได้หายใจก็ได้ขยับมือก็ได้อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับกายและใจของเราเนี่แล้วก็หัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆการทําอย่างนี้ก็เหมือนนักมวยนะถึงเขาเป็นแชมป์โลกเขาก็ทุกวันก็ต้องซ้ อ, งอมโชกประสอบนี่คล้ายๆเราโชคประสอบนั่นเองเราหัดโชคตามรูปแบบเพื่อว่าเราจะได้คล่องแกล้ว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 นั่นแหละมันเป็นบัครับไปพยายามนั่นแหละความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลว อ, อที่นั่ น, นเปิดบอกตั้งแต่เปิดสวนโพแล้วนะประโยคนี้จำได้ไหม ม, ไมันจงใจจงใจจะปฏิบัติมันอยากจะดีจงใจปฏิบัติเลยพยายามจะทำก็จากที่ปฏิบัติมาเรารู้สึว่าตัวเองหมืนัว่ามีความตั่ใจนะครับเราบ้านาทางก็ มองมีติดขึ้นมาากจะปฏิบัติครับแล้วก็มีติที่แบบพยายามเกิดแจ้งตัวเอ้แบบอยากไปสรางการก็กกต่ก็าว่าก็คือปฏิบัติแบบนี้ขอด ย, ย่ไหครัาตงอยสติสติมันยังไม่ได้เกิดขึ้นมาจริงๆนะแล้วเราค่อยๆหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆ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 ใจเราเป็นยังไงก็รู้ไปเรื่อยๆแต่เราเอาท้องของยุบเป็นพื้นฐานไว้ธรรมาฐานของยุบก็ดีให้สมถนะเพราะ ก, การปฏิบัติจริงๆอย่างการทําดูท้องของยุบเนี่ยจิตมันพลิกแปลงได้4ี่แบบนะแบบที่1ดูท้องของยุบแล้วใจลอยหรือลืมเนื้อลืมตัวไปเลยเกิเป็นบ้างไหมนะเมื่อๆไปเลยดูท้องของยุบสักท่านแล้วเผลอๆ ล, ลืมๆไปเลยนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลย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 เป็นหลักของการทำสมถนะงั้นจะเกิดอาการของสมถะเช่นเกิดขนลุกขนพองเกิดตัวลอยเกิดตัวเบาเกิดตัวโคลงโคล ง, ลงอะไรเงี้ยนี่อาการของสมถะทั้งหมดเลยนะนี่เป็นแบบที่อทสองแบบเราไปเพ่งเพ่งอยู่ที่ท้องจนกระทั่งใจเรานิ่งอยู่ที่เดียวนะและสมถะแบบที่สามเราดูท้องของยุบไปเราเห็นว่าท้องที่พองท้อ ง, ท, อ ง, ท, องที่ยุบเนี่ย เป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าเคยเป็นบ้างไหมอันเนี้ยส่วนมากไม่มีส่วนมากจะเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องเลยใจก็จิตใจของเรากระท้องเอาไปรวมเป็นอันเดียวกันความจริงแกจะปฏิบัติให้ก้าวหน้าต่อไปเราต้องแยกกายกับใจออกจากกันให้ได้การแยกกายกับใจเรียกว่านามรูปปริเฉทายานยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเลยนะนามรูปปริเฉษทายา น, นี่เป็นยานที่หนึ่งเป็นปัญญาขั้นต้นขั้นที่สุด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 แบบที่ 4, ทสีสนะ่ดูท้องฟองยุบไปแล้วก็ปล่อยสังเกตสภาวะเช่นดูท้องฟองยุบสักพักหนึ่งจิตหนีไปคิดดูท้องฟองยุบไปจิตไปเพ่งท้องดูท้องพองยุบแล้วจิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเกิดหงุดหงิดจิตเกิดฟุ้งซ่านอนะไรเนี่ยจิตเป็นยังไงรูว้ว่าเป็นอย่างงั้นหารู้สภาวะไปเรื่อยๆนะมันจะเป็นการเอาการดูท้องฟองยุบเป็นพื้นฐานเพื่อจะไปดูจิตไปเจริญจิตตานุปัสสนาแมืนะนะ่ถ้าเราเข้าใจหลักเนี่ยแค่ดูท้องฟองยุบเนะี่ยพลิกแปลงได้สารพัดเลย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 ตอนนี้เราแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหม <S 2> <S 2> <S 2> <S ค่อยๆดูไปนะง่ายถ้าเข้าใจสิ่งที่โลกงพ่อบอกแล้วเรือสั้นนิดเดียวเลยการปฏิบัติต้องได้ผลนะถ้าปฏิบัติถูกหลักทีุ่รูเจ้าสอนส่วนมากเราปฏิบัติถูกหลักที่อาจารย์สอนมากกว่าหรือไม่ก็ปฏิบัติถูกใจตัวเองเช่นดูท้องของยุบไปแล้วแหมวันนี้ตัวโคลงโคลงตัวลอยลอยตัวเบาๆแหมถูกใจเราเอง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 ดูท้องพองยุบแล้วเห็นว่ากายนี่มันเคลื่อนไหวไปใจเป็นคนดูนี่ขึ้นวิปัสนาในการดูกายดูท้องพองยุบแล้วจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้เนี่ยทำวิปัสนาในการดูจิตโดยเอาท้องพองยุบเป็นพื้นฐานแม้กรรมฐานอื่นคนอื่นทํากรรมฐานอย่างอื่นก็ใช้หลักอันเดียวกันนี้ได้นะเช่นคนไหนหัดหายใจหายใจเข้าหายใจออกอะไรเงี้ยนะหายใจแล้วก็เคลิมนีักหายใจส่วนมากนะเกือบร้อยลาร้อยคือนักเคลิมน่ย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 ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เราหายใจแล้วจะเป็นรูปหมุนเคลื่อนไหวนะนี่ทำวิปัสสนาในการรู้กายละหรือหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้นี่หายใจเพื่อจะมาดูจิตน ะ, จะเจริญจิตตาทุกศาสนาดังนั้นแค่หายใจก็ทํากรรมฐานได้หลายแบบนะขยับมืออย่างหลวงพ่อนก็เหมือนกันขยับแล้วใจลอยนี่ไม่ได้อะไรเลยเรลวไหลขยับแล้วก็ไปเพ่งใส่มือได้สมถนะ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 ถ้าทำถูกหลักก็ถูกเหมือนกันทำผิดก็ผิดเหมือนกันส่วนใหญ่ที่ทำเนะี่ชอบไปทำเอาเคลิมนะไม่รู้ทำไมชอบเคลิ้มนะบเคลิมๆ ม, มันสบายดีนะปฏิบัติแบบคนติดยาปฏนะิบัติก็เหมือนคนติดยานละ้วึ่งหลับขึ่งตื่นไปเรื่อยๆโอ้มีความสุขบางคนชอบเปิดเทปนะสมัยก่อนใช้เทปเดี๋ยนี้ใช้ซีดีชักลําบากแนละ้ ไปก่อนใช้เทปแล้วเปิดไว้แล้วก็นั่งสมาธิไปนะหลับไปงอกแงะแงกปะเทปดีดปุ้งขึ้นมาตื่นแล้วแม่ให้วันนี้ภาวานาดีจิตสงบโตว่เป็นนอนจะดีกว่าเนาะคอไม่เครียดแต่มายุคนี้ลำบากแนละ้วปีดีนีหลวงพ่อเทศได้โตรุ่งเลยไหมเปิดแล้วมันไม่มันไม่ปิดนะกว่าจะรู้สึกอีกทีหนึ่งเช้าแล้วคอเครียดไปแล้วนะทาเพื่อให้รู้สึกตัวนะอย่าลืมเน้ลืมตัว ใจลอยแล้วรู้สึกไหมใจไหลแวบไปอ่ะ่ยึนั่นไงหลวพ่อถึงบอกไงว่าสติจริงๆมียังไม่เกิดหรอกต้อค่อยๆอทนบ้านอยู่ที่ไหน <c oughs> เออมาฟังหลวงพ่อนะบ่อยๆหน่อยค่อยๆมาช่วงแรกๆฟังพอได้หลักแล้วคุณมีได้หลักก็นานๆมาทีหนึ่งอาจารย์สุรวัตรนี่เดือนหนึ่งมาห น, หนึ่ง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 ถ้าเรียนสองอันที่ผิดได้นะต่อไปจะถูกเองเมื่อไหร่ไม่ไไมทําผิดเมื่อนั้นถูกเองเนี่ยใจลอยไปอีกแล้วทราบไหมบังคับอีกแล้วทราบไหมเห็นไหมสุดตรงอยู่สองอันอะ่ะเบี่ยงไปเบี่ยงมาเนี่ยทาอะไรอยู่ตอนเนี้ยเพ่งอยู่ถูกต้องนั่นแหละบังคับไว้ล่ะนะทําไมต้องเพ่งทําไมถึงจะเพ่งล่ะบอกหลวงพ่อได้ไหม ไม่อยากเหลือเห็นไหมไม่อยากเหลือเป็นกิเลสนะนะไม่อยากเหลือไม่อยากให้สภาวะของความเหลอเกิดขึ้นมีวิภวตัณหาอนะห็นไหมกําลังทําตามตัณหาสั่งเป็นลูกน้องตัณหานะไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเอาอีกแล้วรู้สึกไหมเออดีแล้วเพราะว่าใจมันเคยเคยเพ่งมันจะเพ่งนะ ใจมันเคยเผลอมันก็จะเผลอใจก็เหมือนวัวเหมือนไกว้นะวัวไกว์เรียนจากครูบาอาจารย์ยิสานเนี่ยท่านชอบเรียบเหมือนวัวเหมือนไกวยแล้วหลวงพ่อจําแม่นเลยเวลาท่านสอนเนี่ยวัวไกว์เราเลี้ยงไว้ทุกวันนะแล้วก็ตกเย็นต้อนเข้าคอบวันไหนลืมต้อนนัมันก็เข้าเองนะจิตของเราเหมือนกันเราเคยน้อมที่จะทำอย่างนี้ยหลวงพ่อทําให้คุณดูนะทาหน้าให้คุณดูนะว่าคุณชอบทำเนี่ย คึดไหมมันแกลง้งทำถ้าเราทำจนชินนี่นะพอคิดถึงปฏิบัติปุ๊บมันจะทำอย่างนี้เลยนะรู้ไหมทำปากจูแล้ว <c oughs> เออเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อทำไมต้องหัวเราะดังขนาด น, นั้นขำไหม เ, ออเมื่อกี้ตัวไหนหัวเราะกายหัวเราะหรืรอใจหัวเราะอันไหนหัวเราะก่อนเด็กยัตอบถูกเลย เอาตบมือให้เด็กนิดหน่อยถ้ากลกว่ารอกก่อนนี่นะเรียกลมือแล้วนี่โตขึ้นถ้าจะเป็นนักกรรมฐานใหญ่เลยเขินไปแล้วเขินแล้วรู้ไหม่าเขินว่าไงหนุ่มโน้นอ่ะเราแหละที่ถือไม่อยู่ มีอะไรเปล่าบดูออกไหมว่าบังคับอยู่บอกเอะไรนะบอกหาอะไรมาเอาอเพราะงั้นต้องมาฟังเรื่อยๆนะหรือไม่ก็พี่เกียรตนั่งรถมาเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังนะแจกครีแต่ฟังแล้วคอยสังเกตตัวเองไปจริงๆแล้วสิ่งที่หลวงพ่อเทศครั้งเดียวเนี้ยฟังไปเรื่อยๆก็พอล้เพราะหลวงพ่อเทศตั้งแต่เบื้องต้นจนเบื้องปลาย ท, ท, ทุกๆุครั้งอทุกวันอ่ะ น, นะพูดเหมือนกันทุกวันอ่นะ แต่ว่าพวกเราฟังเนี่ยความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนกันวันนี้เราฟังเราก็เข้าใจแบบนี้วันต่อไปเราภาวนาไปช่วงหนึ่งแล้วมาฟังใหม่แล้วก็เข้าใจไปอีกแบบหนึง่งอ่ะส่งใหม่ไปข้างหลังอ่าหรอตอนนี้ใจมันชอบน้อมเข้าหาความนิ่งนะเงั้นพยายาเดินไว้นะอย่านั่ง เคลื beaten, so ่อนไหวไว้ทำกรรมฐานที่เคลื่อนไหวไว้อย่าขี้เกียจนะยังหนุ่มอยู่ขยันเดินไหมเดี๋ยวแกแล้วเดินไม่ไหวเพราะงั้นยังหนุ่มๆเนี่ยมันมีแรงภาวนานะรีบทำหลวงพ่อดีใจด้วยก็คุณเด็กกเข้าวัดคือเวลาคือมีขมเคี้ยวในการเป็นแบกแต่ตนขึ้จงองแข็งิงๆคือเพราะมันเป็นความเคยชิเวลาทำกรรมฐานต้เหมือนกับารเความีิดนักคับอย่าเราพยายามกําลัง บางีมันต้องอยำเพลงให้มันอยู่ไปยืดผัดปากเทาโครงการต่างๆทำเล่นๆอย่าทำจริงแต่มีเรื่องต่อไที่รลงพ่อคืออุปนิสั้ตัวเคาบอกว่าที่บอกว่าความอยากมันมาผลเป็นมาคือแล้วหลพอบอกให้ความอยากคือคือไม่ใช่คือเบื้องต้นมันต้องอยากนะอยากก่อนแล้วเราก็าลงมือทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ แต่ถ้าเมื่อไรสติปัญญาเรารู้ทันความอยากเนี่ยนะความปรุงแต่กก็จะขาดไปเลยเบื้องต้นก็อาศัยความอยากนั่นแหละอย่างที่พระนรนสอนบอกอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาอาศัยมานะเพื่อละมานะนะมานะเช่นเราเห็นครูบาอาจารย์ท่านภาวนาดีดูมีความตุกเราอยากได้อย่างท่านบ้างนะนะมีอย่างเรียกว่ามานะเราก็เคยหันมาศึกษาปฏิบัติธรรม นี่ศึกษาปฏิบัติธรรมเราควรจะศึกษาคําสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าให้ดีแล้วจะปฏิบัติง่ายจะปฏิบัติราบรื่นไม่เหนื่อยมากนะหรืออาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาต้องอยากปฏิบัติก่อนถ้าไม่อยากปฏิบัติเลยก็ส่งใจตามโลกไปเลยอาศัยความอยากปฏิบัติเนี่ยทาให้เราย้อนคอยมาดูกายมาดูใจของตัวเองเมื่อเราดูกายดูใจตัวเองมากเข้ามากเข้าเราก็จะพบว่ากระทั่งอยากปฏิบัติก็เป็นความปรุงแต่งแล้ว ถ้ารู้ถึงตรงนี้ได้เนี่ยนะความปรุงแต่งตัวนี้ขาดไปเลยสมัยก่อนหลวงพ่อเคยไปที่วัดป่าแห่งหนึ่งนะตอนเช้าขึ้นมาก็เดินออกมาจากกุฏิเห็นเก้าอี้หินตัวหนึ่งอยากนั่งคิดว่าตรงนี้ร่มรื่นวันเนี้ยจะนั่งภาวนาตรงนี้ทั้งวันเลยก็นั่งข้างเดินอยู่แถวนี้แหละใต้ต้นไม้เราวงึงตะโกนข้ามตะน้ํามานะปราโมดอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วโหใจมันเห็นปัญหาชัดเลย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 หลักของวัดป่าเนี่ยควรจะทําสามันให้ครบอันที่หนึ่งทำความสงบไม่ใจสงบแล้วมักจะขี้เกียจครูบาอาจารย์ก็สอนให้คิดที่เจรนาคิดเรื่องที่คิดที่นาที่นาเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นให้จิตใจนี้เคลื่อนไหวไม่ให้ไปติดเฉยพอหัดคิดที่นาเรื่องอะไรที่ปลอดภัยยังหนุ่มๆอย่างนี้คิดพิจรารณากายเราเองปลอดภัยมันไม่ยั่วกิเลสไปคิดเรื่องสาวเดี๋ยวก็ฝึกไปเป็นซพระนะ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 เราอย่าทิ้งจิตผู้รู้นะคอยรู้สึกไปเรื่อยถ้าเราความเรามีจิตผู้รู้เราจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราจะเห็นทันทีนะแล้วจะเห็นเลยว่าโลภโกรนหลงก็ไม่ใช่จิตของเราด้วยโลภโกรนหลงเป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้จิตไปรู้เข้าจิตเป็นผู้รู้นะที่ฝึกมาดีนะใช่ได้ เรารู้ว่าเพ่งอ่ะพอใช้ได้แล้วนะส่วนใหญ่นะไม่รู้ว่าเพ่งแล้วคิดว่าการปฏิบ yeah> ัต yani ิจะต้องเพ่งซะด้วยซ้ไปแต่ปด่่้แล้วอย่คือมันจะอันนี้ไม่ได้ตาม้าของแต่มันจะับที่ของเาว่ากเปิดไปก็อยู่ในาที่มันมันอยู่ที่ว่าเราต้องการทำอะไร อย่างคำสอนของหลพ่อเนี่ยบอกจิตเสือไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้หลวงพ่อกำลังสอนในขั้นของวิปัสสนานะแต่ในขณะที่จิตคูุ้ง้านครูบาอาจารย์บอกพุทโทธจีดีนั้นคำสอนในขั้นของสมถะนะมันคนละขั้นกันนะเพราะงั้นะนะคําสอนของครูบาอาจารย์ท่านถูกไหมถูกนะแต่ถูกในขั้นสมถะนะถ้าจะถัดจากนั้นจะทํายังไงนะเคยได้ยินครูบาอาจารย์สอนไหมบอกว่าคนนะทําสมาธิ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 ค่อยๆตรงนี้ฟังหลวงพ่อให้ดีนิดนึงนะแล้วมันจะต่อได้กายเคลื่อนไหวนะใจเป็นคนดู mm hmm. อย่างตอนเนี้ยใจหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยขยับปากแล้วรู้สึกไหม mm hmm. เห็นไหมไอ้ปากมันขยับใจเป็นคนดูมัน mm hmm. คือมันจะมีความ เดินจกลุ่มไม่ได้เดิเยอะๆนะเดินไปแล้วเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะเดินไปอย่างเงี้ยเห็นกายมันเดินใจเป็นคนดูถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นในกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรานะพอเรารู้กายแจมแจ้งเนี่ยจิตมันจะดีดขึ้นมารู้จิตเองแหละไปทำเอาหนะ้าทำเอาอ้าวคนนี้ เออเออดีแล้วที่เห็นนะรู้ไปได้่รรู้สึกไหมเราบังคับมันไม่ได้ อ, อนั่นแหละรู้สึกไปทั้งกายทั้งใจนี่ไม่ใช่ตัวเราเหรอกนะร่างกายก็เป็นแค่วัตถุเห็นไหมกายที่มันยกเท้าย่างเท้าเนี่ยมันถูกใจเราดูนะกายกับใจแยกกันนะใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเดินนะเออเห็นร่างกายมันเคลื่อนไปไม่ใช่ตัวเราเคลื่อนนะ ส่วนความรู้สึกทางใจก็เป็นสิ่งที่เคลื่อนเข้ามาแล้วก็เคลื่อนออกไปเหมือนกันใจเราก็ไปรู้มันนั่นแหะหัดไปอย่างนั้นดีแล้วอ่าอ่า น, นั่นสมาธิเยอะไปนิดนึงสมาธิลึกไปอเวลาอะไรกระทบนิดเดียวจะรุนแรงกว่าความเป็นจริง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 แล้วคือตอนตางกรู้สึกว่าชอบบ้วงหลงงนะคก็ผิดมันมันไม่สามารถวางลงไมันเรื่องของมันอย่าใช่เรื่องของเรานะทำไมช่วงหลังๆมันห ล, ลงหลงรู้ไหมเมื่อก่อนเราภาวนาไม่เป็นมันหลงทั้งวันแต่เราไม่รู้แต่หัก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 ไม่ต้องแก้นะให้รู้เฉยๆเดี๋ออยวจะอยากแก่นั่นใจลอยแล้วเด็กเสื้อเขียวเนี่ยแย่อีกแล้วต้องบอกหยก ๆ, ๆว่าไม่แก่ <c oughs> ให้รู้ตามความเป็นจริงคือดูว่าเราต้องการอะไรถ้าเราจะทำสมถะนะจิตไม่สงบต้องแก้ไขให้สงบจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่มีความสุขทำให้มีความสุขนสมถะ ดีแล้วสงบแล้วสุขแล้วต้องรักษาส่วนมิปัสฉนาไม่แก้ไม่รักษาไม่สร้างอะไรทั้งสิ้นรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเช่นร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกใจเป็นคนดูอยู่ต่างหา ก, กจิตใจเคลื่อนไหวเราก็คอยรู้สึกแต่ไม่ใช่รู้แบบแข็งเพ่งๆนะติดเพ่งมากไปปัจจุบัรู้สึกว่าใจแบบนั้น เออไาใมันเหมือนว่ามันมียอางอะไรกอย่างเดที่คุณไไปแล้วมันก็านจออแล้วมีที่ทออ้มันอืมแต่ถ้าเิเิไม่ชเิหนอมันจะกาอะไรตออไม่ผิดหรอกจริงๆมันไม่ได้ไปไปมามานะ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 ไม่ต้องหานะไม่ต้องหานันเป็นเองันเป็นเองจทน้เร่่่ขอแล้วอีกอาการ่งของของข้างนนี้มันจะเป็นเียแแคว่ามันจกที่มันเอนวแล้วานั้นจะรเร์วิชก็ได้ใช่าถูกต้องแล้วคือการปฏิบัติเนี่ยพอถึงขั้นละเอียดเราจะเห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปคาว่าสิ่งบางสิ่งคือซัมติงไม่รู้ว่าอะไร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 ด, ดูกระดูกระดิแต่ว่าเราเลือกไม่ได้ทำไมทาไมเรารู้สึกว่าเคลื่อนกลับเลยไมเพราะว่าพอเรารู้ว่าหลงเนี่ยเรากลัวหลงเราไม่อยากหลงเราไปดึงมันพอไปดึงมันกลับมาเนี่ยมันเลยอึดอัดถ้าไม่ดึงไม่อึด อ, อัดหรอกเราไปคิดว่าจิตมีดวงเดียวพอห น, นีไปเลยจะเอาคืนมันก็เลยอึดอัดสิกนึกออกแล้วใช่ไหมจิตหลงไปเป็นอกุศลจิตรู้ว่าหลงเนี่ยเป็นกุศล จิตอยากจะเอาคืนเป็นอกุศลตัวใหมนะ่แล้วก็ไปดึงมาจิตเลยเป็นความทุกข์ขึ้นมาพาวนาแล้วตอแเป็นทีเหลือแต่ยิบยับยิบยั บ, ยบนิดเดียวนะอา้าวันนี้พอสมควรนะวันนี้แม้มีคำถามหน้าฟังต่อท้ายเอเกินกลับบ้าน